ผูสภาวธรรมเท่าทันความเกิดดับของขันหพุทธพจน์เห็นว่าอย่างนี้รูปอย่างนี้ความเกิดแห่งรูปอย่างนี้ความดับแห่งรูปสองเห็นว่าอย่างนี้เวทนาอย่างนี้ความเกิดแห่งเวทนาอย่างนี้ความดับแห่งเวทนาสาม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 รู้ชัดว่าปะะัจสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 6. รู้ชัดว่าสมาธิสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิต 7. รู้ชัดว่าอุเบกขาสัมโพชฌงมีอยู่หรือไม่มีอยู่ในจิตอันหนึง่งโพชฌงทั้งเจ็ดประการที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยโพชฌงทั้งเจประการที่เกิดขึ้นแล้ว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 ใช่หรือไม่ใช่โดยภาวะดีๆทางใจที่เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจวนแล้วนั้นรวมเรียกว่าโพชงมีอยู่เจ็ดประการดังนี้หนึ่งมีสติเป็นอันตโนมัติสติคือความสามารถในการระลึกรู้ได้และไม่ใช่อะไรที่สูงส่งพิสดารเกินจินตนาการเอาแค่ง่ายๆอย่างเช่น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 และจะแปลไปเป็นแบบไหนอีกเท่านี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเพียรแล้วผู้มีความเพียรพิจารณาทุกสภาวะธรรมย่อมร่าเริงในการเห็นสภาวะต่างๆในขอบเขตกายใจว่าเกิดขึ้นแล้วต้องดับไปจริงๆทั้งหมดแต่ผู้เพียรสร้างแต่สภาวะธรรมที่น่าพอใจย่อมหดหูแบบไม่รู้ตัวเพราะพบกับความล้มเหลวไม่ได้อย่างใจร่าไป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 ตอนที่เปลี่ยนจากความสงบระงับเป็นฟุง้งซ่านหากรำคาญตัวเองอยากสงบให้ได้อย่างใจทันทีตลอดจนออกแรงกดจิตให้นิ่งตามเดิมอันนั้นเป็นตัวบอกว่ายังมีแรงดิ้นอยากสงบอยู่อย่างไม่ใช่ของจริงแต่หากฟุง้งแล้วรู้ถันว่าฟุง้งโดยไม่อิหนังขังขอบไม่ดิ้นรนใดๆกระทั่งความฟุง้งแสดงความไม่เที่ยงด้วยการระงับไปเอง อย่างนี้จึงเรียกว่าของจริงเพราะแม้แต่แรงดิ้นที่จะสร้างความสงบก็ไม่มี6มีความตั้งมั่นเมื่อจิตระ ง, งับความกระเพื่อมไหวเหมือนแผ่นน้ากว้างใหญ่สงบราบคาบจากใจกลางถึงขอบฟังสิ่งที่เกิดตามมาเป็นธรรมดาคือความตั้งมั่นแห่งจิตและไม่ใช่ตั้งมั่นทื่อๆแบบไม่รู้อะไรเลย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 โดยไม่ใหญ่ดีกับการมีการเป็นของตนมโนภาพบุคคลเหลือน้อยหรือไม่มีเลยสุดท้ายไม่มีการได้อะไรให้ใครเราจเจริญสติมาทั้งหมดก็เพื่อสร้างเหตุให้เกิดไฟล้างผลากิเลสว่ามีตัวตนมีคนได้อะไรต่างหากจิตที่ถึงมรรคผลจะอยู่ถัดไปอีกไม่นานคุณจะรู้ว่าจิตสามารถลุกโผลงเป็นไฟล้างกิเลส